รู้ความพอดีอพอดีพอมาะพอควรว่าขนาดไหนไม่ใช่ตรงมุมใดมุมหนึ่งจนเกินไปแต่พูดอย่างนี้ก็ต้องระวังนะเพราะว่าบางคนเนี่ยกลัวความลำบากแล้วก็ติดสบายนะอาตมาพูดอยู่เรื่อยในตรงนี้นะกลัวความลำบากแล้วก็ติดสบายเพราะฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ ท, ทันทีก็เลยเข้าใกล้มัชิ ม, มาหรือทางสายกลางเนี่ย ที่เป็นสัจจะที่เป็นความเป็นจริงไม่ได้สักทีหนึ่งอมันก็เป็นมชชี่มาแบบอ่อนๆบางทีแม้จะเปลี่ยนแปลงตัวเองสักหน่อยนะเออเดี๋ยวเรากินให้น้อยมือลงหรือว่าเราลด เ, เสื้อผ้าค่าใช้จ่ายลงมาอะไรพวกนี้โอ้ไม่ได้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันลำบากเกินไปเดี๋ยวมันอะไรอ่ะทรมานตัวเองเกินไป เพราะฉะนั้นก็ก็อย่าเพิ่งไปทําขนาดนั้นเลยเอาเอาแค่นี้เพราะฉะนั้นพวกเนี้เนี่ยจะลดทีละนิดทีละนิดทีละนิดโอ้โหซึ่งช้านานไอ้อย่างนี้มันก็ช้าเกินไปนะเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากไว้ให้กับพวกเราด้วยอส่วนข้อสุดท้ายแหละคราวนี้พระเจ้าท่านตรัสว่าเธอจงทําจิตเห็นอนิจจสัญญาความไม่เที่ยงในการยึดมั่นถือมั่นก็จะละการ ถือเราถือเขาลงไปได้อันนี้เป็นข้อสุดท้ายที่ทั้งหมดเนี่ยพุทธเจ้าท่านมาจบลงตรงเห็นอันนีจะอันนีจะก็อันนีจังนั่นเองอันนีจังก็คือคือไม่เที่ยงสัญญาคาว่าสัญญาคื อ, อาการที่เรากำหนดอะไรไว้ในจิตเราเนี่ยเป็นความทรงจาอะไรต่างๆเขาเรียกว่าสัญญาอนนีจะสัญญาก็คือว่า เราจะต้องมันเตือนตัวเราเองมันกําหนดจิตกําหนดใจเราเนี่ยเตือนเตือนสติเราบ่อยๆให้รู้ตัวอยู่เสมอว่าอะไรอะไรในโลกนี้ก็ไม่เที่ยงทนั้นมันเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งตรงเนี้ยถ้าเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยความไม่เที่ยงในการยึดมั่นถือมั่นมันเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนความยึดมั่นถือมั่นยึ เลวอตวมาบอกแล้วไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องยึดเลวนะยึดเลวเราก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมมาเป็นยึดดีอ่าอันนี้คือความถูกต้องใช่ไหมเพราะว่าถ้าคุณไปยึดเลวคุณก็ยิ่งเลวใหญ่เพราะเราก็ต้องมายึดดีแต่ในการยึดดีอีกคราวนี้เนี่ยมาถือศีลได้มาปฏิบัติธรรมได้คนเราต้องยึดดีไม่งั้นมาปฏิบัติไม่ได้หรอก แล้วก็ต้องมีกําลังของความยึดดีเนี่ยให้มากพอด้วยเพราะถ้ากําลังของความยึดดีไม่มากพอเนี่ยคุณจะดึงตัวเองออกมาจากไอ้ที่เราติดติดเรลเรลไลไล่ต่างๆที่เราไปยึดยึดเอาไว้เนี่ยคุณก็ดึงตัวเองออกมาไม่ได้งั้นกําลังที่เราจะยึดดีต้องมากพอแต่ตอนนี้เอาละพอเราดึงตัวเองออกมาได้เราก็จะดีขึ้นเรืเ่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เราปฏิบัติธรรมแล้วเราก็เออ เห็นเลยเห็นสัจจะเห็นความเปจริงเลยว่าเออเราดีขึ้นนะสบายขึ้นนะรู้สึกว่าเบาภาระเออไอแต่ก่อนเคยทุกเคยกุ้มอะไรไรหลายอย่างโอ้โหเบาลงไปได้เยอะเลยเรายึดดีเราก็จะมากขึ้นเรื่อยมากขึ้นเรื่อยมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนเคยกินเนื้อสัตว์นะเคยใช้เงินฟุ่มเฟือยนะเคยใช้เวลาไปเที่ยวเตะไปดูหนังฟังเพลงอะไรที่มันไร้สาระโอ้เดี๋ยวนี้เรามาใช้ เวลาให้เป็นประโยชน์ใช้ชีวิตให้มีคุณค่าเห็นสัจจะเห็นความจริงอันนี้เลยว่าโอ้เราดีขึ้นจริงจริงดีอย่างเงี้ยมันน่ายึดไหมน่ายึดแล้วควรต้องยึดด้วยอแต่แล้วทำไมอ่ะเนี่ยมีแต่ศาสนาพุทธเท่านั้นเนี่ยที่จะสอนถึงขั้นนี้พุทธเจ้ากลับนะพ อ, พอคุณได้ดีแล้วนะพุทธเจ้ายังจะต้องมาสอนอ่าหัดทำจิตนะ ไอ้ดีที่คุณว่ามาเนี่ยโดยเฉพาะส่วนใหญ่ถ้ายึดดีกับตัวเองเนี้ยนีน่ีอย่างหนึ่งยึดดีที่คนอื่นนี่ก็อีกอย่างหนึ่งขอพูดส่วนใหญ่ก่อนว่าส่วนใหญ่เนี่ยชอบที่จะไปยึดดีกับคนอื่นคืออะไรคือแม้คนนี้น่าจะดีอย่างนั้นอย่างนี้สินี่พี่เราก็แม้น่าจะดีอย่างนั้นอย่างนี้สิอ่านี้แฟนเราน่าจะดีอย่างนั้นอย่างนี้สิ พ่อแม่เราก็น่าจะดีอย่างกันอย่างงี้สิหรือบางทีเพื่อนฝูงเราอ่ะ เ, อเขาน่าจะดีอย่างงี้อย่างงี้สิเสร็จแล้วเป็นยังไงคราวนี้ยพอเราไปยึดว่าเขาน่าจะดีอย่างงี้อะไรที่ตามมานะ อ, อะไรที่ตามมาคือเราจะเป็นผู้จัดการ <c oughs> ที่ว่าบางทีอนะไอใ้ใหม่ๆถ้ามีสติรู้ตัวนะก็แค่แนะนํา ก็แค่บอกเขาเออทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิมันจะดีกว่าเก่านะเออลองเปลี่ยนแปลงอย่างนี้สิใหม่ๆอ่ะถ้ามีสติรู้ตัวเนี่ยมันจะคอยมีอันนี้จะสัญญาเอาไว้แต่ถ้าใครเนี่ยเผลอแล้วก็ขาดสติลืมตัวพอเราเนี่ยไปหวังดีขอใช้ภาษาเดี๋ยวนี้ว่าหวังดีกับคนค น, นั้นคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วคราวนี้แหละเรามักจะไปยึดว่า เขาก็ควรจะต้องได้ดีอย่างกันอย่างนี้ทั้งๆ ท, ที่บางทีความจริงเ <c oughs> ขาไม่เอาด้วยเลยอ่ะ <c oughs> เผอๆเนี่ยเขาขัดแย้งกับเราด้วยว่ามีตัวอย่างจริงๆมาแล้วที่พอมาปฏิบัติทำแล้วปรากฏว่าบ้านแตก <c oughs> <c oughs> บ้านแตกเลยนะครอบครัวพังเลยก็ได้บางคนมีครอบครัวนะพังเลยก็ได้ เพราะว่าอะไรพ่อเราได้ดิบได้ดีไปเสร็จใช่ไหมเอาเลยเชิบางทีกลับบ้านไปถึงอ่าผู้จัดการมาเอง <c oughs> งานนี้เราต้องกินมังสวิรัตินะต้องละอายามุกต้องอย่างนั้นอย่างนี้จริงมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะแต่ถ้าเรายึดอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่พร้อมเนี่ยเขาไม่พร้อมแล้วเขาก็ยังไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงทะเลาะกันตายเลยคุณทะเลาะกันตายหรือมี ว่าบางทีบางคนเนี่ยมาฟังเทศฟังธรรมเข้าใจเสร็จก็ถือศีลปฏิบัติธรรมไปนะมีครอบครัวแล้วนะอันนี้ตัวอย่างของจริงก็มีอยู่ไม่น้อยปรากฏว่าปฏิบัติไปปฏิบัติไปโอ้โหดีขึ้นเรื่อยๆเลยดีขึ้นเรื่อยๆเลยจนกระทั่งในที่สุดสามีก็ตามหรือว่าภรรยาก็ตามอยากถือศีลแปดแล้วคราวนี้แต่อีกฝ่ายไม่พร้อมอืมทะเลาะกันมาเยอะแล้ว อันนี้ก็ทะเลาะกันมาเยอะแล้วโอ้โหต้องพยายามพูดให้พวกเราเข้าใจว่ า, าถ้าอย่างนี้เนี่ยต้องทั้งสองฝ่ายนะแต่ไอ้ส่วนที่เรายึดดีของเราเนี่ยก็ดีแล้วแหละแต่ว่าเราจะไปบังคับคนอื่นเนี่ยว่าเขาจะต้องดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้บังคับไม่ได้ยิ่งจะไปบังคับคนอื่นเนี่ยคุณหมดสิทธ์เลยเพราะใจก็ของเขาตัวก็ของเขาถ้าคุณไม่ไปเผด็จการแล้วคุณไม่ไปแบบ โอโหเล่นใช้กําลังเล่นใช้อํานาจอะไรกับเขานะถ้าคุณคุณให้เขาอิสระนะให้เขาแบบว่าตัดสินใจได้เองนะบางทีเขาไม่ยอมทําด้วยหรอกอแต่ว่าเราใช้กําลังใช้อํานาจโดยเฉพาะบางทีพ่อแม่เนี่ยมักจะบังคับลูกหวังดีกับลูกเนี่ยมักจะบังคับอ่าอย่าเถียงนะ <laughs> เอเถียงเดี๋ยวตัดข้าขนมนะ <laughs> เดี๋ยว โดนตีนะเดี๋ยวอะไรก็ว่าไปเถอะก็ใช้อํานาจลงไปแต่ถ้าไอ้นั่นจริงๆนะเขาก็ไม่ยอมทำเพราะอันนี้เนี่ยจะต้องใช้ศิลปะแล้วจะต้องใช้ศิละป ะ, แ ล, ะ, ล ะ, ปะแล้วก็หาวิธีการพูดหรือว่าหาวิธีการแนะนำํำจนกระทั่งเขายอมได้ด้วยใจของเขาที่จะยอมจะต้องเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถึงบอกว่าถ้าเราไปยึดดีแบบนั้นเนี่ยเราก็ยังจะต้องทุกได้ยิ่งพอเวลาเราไปเจอเขาไม่เป็นไปดังใจเราแล้วที่เรายึดดีไว้ คราวนี้ละคุณจะมาทุกเองแหละหลายคนที่มานั่งกุ้มนั่งทุกเพราะว่าเขาไม่ดีอย่างที่เราคิดเอาไว้นั่งกุ้มนั่งทุกมากเลยบางคนนี่หดหูหอเหี่ยวใจเลยนะจนกระทั่งไปไปมามานะตัวเองเลยไม่ค่อยอยากจะทาดีไปด้วยเลยมันหมดกำลังใจมีคนแบบนี้ก็มีทั้งทั้งที่บอกแล้วจริงๆแล้ว ยิ่งไปหวังกับคนอื่นเนี่ยคุณอย่าไปหวังเพราะบางทีเราหวังกับตัวเราเองเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองแล้ว่าเรายึดดีนะเรายังทำผิดอยู่บ่อยเลยตัวเราเองเนี่ยทาพลาดอยู่บ่อยๆหลายเรื่องหลายอย่างเพราะเราเองเนี่ยเรายังหวังกับตัวเราเองเนี่ยไม่ได้เลยคุณเนี่ยเที่ยงแท้แน่นอนหรือยังตัวเราเองเนี่ยเรายังเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้เลยบางครั้งอ่ะหลายอย่างสิ่งที่เราทาเที่ยงมาได้แล้ว เอาก็ดีแล้วนะเราเราอันนั้นเราก็ยึดไว้ก็ดีแล้วแต่สิ่งที่เราทำได้แมวเนี่ยอย่าเอาสิ่งนั้นไปยัดเยียดคนอื่นว่าคนอื่นต้องทำได้อย่างเรานะ น, นี้อย่าไปยัดเยียดส่วนเราทำได้เที่ยงคราวนี้เฉพาะตัวเราไม่ต้องไปเปรียบคนอื่นอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวเราว่าเออเราทำอย่างนี้เราเที่ยงแล้วชีวิตนี้ชาตินี้เราจะนามอบให้ พระพุทธศาสนาหรืออะไรก็ว่าไปนะจะอะไรนะถือศีลจะกินมังสวิรัตจะเลิอกอาบายามุขจะปฏิบัติทําให้สูงขึ้นถ้าคุณเที่ยงเนี่ยคุณเที่ยงขึ้นไปเลยเฉพาะตัวคุณเองแต่บอกแล้วถ้าคุณไม่เที่ยงจริงนะคราวนี้ถ้าคุณไม่เที่ยงจริงบางทีมันหล่นตุบได้คุณเดินเดินไปเนี่ยใครอยากจะหกลม้มไงะไม่มีใครอยากหกล้มหรอก บางทีมันก็สะดุดไอ้นั่นไอ้นี่ล้มได้เหมือนกันซึ่งอันนี้มันไม่แน่นอนขุนเจา้าถึงบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่แน่นอนแต่ที่ท่านบอกว่าเที่ยงเนี่ยอย่างเช่นเที่ยงต่อการตรัสรู้ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วเที่ยงต่อการตรัสรู้เนี่ยท่านหมายถึงว่าจิตใจเราเนี่ยบางทีเราสะดุดบ้างเราหกล้มบ้างแต่เรายังคงลุกขึ้นมาแล้วก็ยืนหยัดที่จะปฏิบัติต่อไปจะพยายามสู้ต่อไปจนจนถึงที่สุด ถึงที่สุดก็คือถึงพระอรหันต์หรือว่าถึงนิพพานที่อันนี้มันจะเที่ยงในลักษณะแบบนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าว่าอะไรอ่ะเราจะต้องไปยึดอะ น, นั้นยึดอันนี้ว่ามันเที่ยงมันยึดไม่ได้ในโลกเนี้ยไม่มีทางเลยเพราะถ้าถ้ามันยึดได้จริงอย่างนั้นน่ะพระเจ้าถ้าไม่มาตัดเรื่องอันที่จังพวกนี้หรอเพราะนันที่ท่านตรอย่างนี้ท่านยืนยันเลยว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงได้สักอย่างหนึ่ง ทุกสิ่งโดยเฉพาะที่ที่เราจะมีปัญหามากที่สุดก็คือนะไอ้ความยึดอัตตาเนี่ ย, ยคำว่าอัตตาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไอ้ร่างกายขันนี้นะไอ้ร่างกายขันนี้เนะี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วหละคุณยังเห็นเป็นตัวตวนได้ง่ายแต่มันยึดไอ้ไอ้ความคิดของเราเนี่ยยึดความคิดของเราเป็นใหญ่เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนยากโดยเฉพาะอาตมาบอกแล้วว่า เรายึดว่าเราคิดดีแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วยึดจงกระทั่งเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเอเ อ, เอสิ่งที่เรายึดไว้ทั้งๆ ท, ท, ที่มันเป็นสิ่งที่ดีพระอานนท่านก็พยายามที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ให้ได้นะท่านก็ยึดที่ว่าเดี๋ยวลุ่งขึ้นเนี่ย ท่านจะต้องเข้าไปร่วมกับหมู่สงเพื่อที่จะสังขยาและมู่สงเนี่ยก็มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่จะเข้าไปได้เพราะนท่านก็โอ้โหภาคเพียบบำเพ็ญอย่างเลยนะเพื่อที่จะแบบว่าต้องไม่รู้ละคือเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นพระอรหันต์ให้ได้อะก็พยายามอย่างแล้วโอ้โหพิจารณาทําอะไรต่ออะไรที่จะแบบว่าให้เป็นพระอรหันต์ให้ได้ทํำไปทำมาทํำไปทำมาหมดแรงเลย หมดแรงเลยพิจารณาจนในที่สุดไม่รู้จะพิจารณายังไงแล้วคราวนี้ท่านเลยปล่อยปล่อยไอ้ที่ยึดเอาไว้เนี่ยว่าต้องเป็นอรหันต์ให้ได้ต้องเป็นอรหันต์ให้ได้นะก็เลยปล่อยพูดง่ายคำว่าปล่อยก็คือไม่ต้องเป็นอรหันต์ก็ได้วะเนี่ยมาเติมเองท่านเลยปล่อยเอปล่อยเสร็จก็ามากท่านก็ล้มตัวลงลงล ง, ลงพักอะ่ะพูดง่ายล้มตัวลงนอน เพราะโอ้โหบําเพ็ญตลอดพยายามจะเดินจงกรมจะนั่งพิจารณาจะอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งอ่อนเปี้ยเพียจิตไปหมดแล้วใช่ไหมคราวนี้พอปล่อยเสร็จใช่ไหมท่านก็เหนื่อยเต็มที่แล้วล่ะท่านก็เอนเอนกายลงแล้วจะพักนะเพราะพอท่านปล่อยจิตนี่แหละบอกไม่ต้องเอาก็ได้ไม่ต้องเอาก็ได้ไตไดแต่จริงๆเนี่ยโอ้โหท่านยึดดีจนกระทั่งต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้นะแต่พอปล่อยไปแล้วเนี่แหละ ช่วงจังหวะที่จากถ้าคนเรายืน อ, อยู่เนี่ยแล้วก็จะล้มตัวลงนอนเนี่ยนะในพระไตรปิฎกเนี่ยเขาใช้สำนวนว่าว่าตัวเนี่ยอยู่ระหว่างอะระหว่างที่ที่กำลังล้มตัวลงไปพักเนี่ยลงลงไปนอนท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นแหละวันสูงสุดของศาสนาพุทธเนี่ยแม้แต่ดีเนี่ยในที่สุดก็ยังอย่าติดยึดเลย ในที่สุดนะอันนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ยึดดีก็เลยไปยึดชั่วไม่ใช่นะคือยังคงทำดีอยู่เพียงแต่ว่าคุณทำดีนะต้องการให้คนอื่นดีต้องการให้ตัวเราเองก็ดีขึ้นเจริญขึ้นเนี่ยแต่ไม่เห็นต้องยึดเอาไว้เลยว่าต้องเป็นเฉพาะอย่างนี้ทั้งนั้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นมุมซ้ายมุมขวาหรือจะเปลี่ยนเป็นข้างหน้าข้างหลังบ้างไม่ได้ไม่ใช่เปลี่ยนได้ เพราะนั้นอันเนี้ยถ้าศึกษาเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้โหพระอรหันตนี่ถึงจะให้หันซ้ายหันขวาจะให้ยังไงเนี่ยท่านได้จะให้แบบว่ายึดจนกระทั่งตายเลยท่านกระทำได้หรือจะให้ท่านปล่อยวางว่าไม่ยึดเลยเอาเอาชีวิตไว้เอาชีวิตอยู่ไม่ต้องตายนะก็ได้คือท่านทำได้ทุกอย่างแต่ในการทำได้ทุกอย่างเนี่ยท่านก็ยังคงทำดีเพื่อเพื่อ ผู้คนทั้งหลายเพื่อประโยชน์คนจำนวนมากอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่จิตเนี่ยมันไม่ได้ไปยึดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านถึงได้ตรัสว่าเนี่ยถ้าเรามีอนิจจสัญญาถึงบอกว่าต้องคอยเตือนสติตัวเองอยู่เรื่อยเพราะส่วนใหญ่จะลืมตัวอันนี้ยิ่งเราบางทีใครฝึกฝนมาไม่เก่งลืมตัวบ่อยบ่อยมากเลยโดยเฉพาะธรรมมาขอบอกว่าไม่ใช่ยึดดีหรอก ยึดเลวส่วนใหญ่จะลืมตัวยึดเลวหมายถึงว่าไปทำเลวอย่างเก่าอย่างที่ไม่ดีอ่ะนั่นแหละส่วนใหญ่จะไปยึดอันนั้นซะมากกว่าเราจะลืมตัวยึดดีนะอันนี้หมายถึงว่าคนที่ที่ที่ยังแบบมีอะไรไม่ดีอยู่เยอะนะมันก็จะไปหวนกลับไปยึดไม่ดีอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งถ้าคุณเนี่ยพากออกไปได้พากออกไปได้พากออกไปได้ไไดนะยึดเลวต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ย อาหารการกินที่อยู่อาศัยนะเครื่องนุ่มพมอยู่ยาข้าวของเครื่องใช้เนี่ยเออคุณลดละลงมาได้คุณลดละลงมาได้ลดลลไดจนกระทั่งคราวนี้คุณโอ้โหยิดคุณมีแต่ยึดดียึดดีแต่ถามหน่อยเถอะคุณจะยึดดียังไงแต่มายังจําได้เพราะท่านเคยพูดถึงอโศกเนี่ยถ้าเขาเกิดจะมาทําลายแล้วเขาก็แบบว่าโอ้โหเอาคนมาเลยนะ มันมีอยู่ช่วงที่บางทีกําลังเหตุการณ์คับขันนะนะมีคนจะมาเล่นงานอโศกเนี่ยโอ้ตอนนั้นข่าวแรงจริงๆเลยนะถ้าใครอยู่เก่าเก่าก่อนๆจะจะรู้ผลอันนี้ว่าอรุนแรงนะชนิดที่เรียกว่าด่าว่าแล้วก็อะไรอ่ะเหมือนกับว่าจะยกคนมาเล่นงานจะมาทําร้ายโอ้จะใส่ร้ายป้ายสีอะไรนี่หนักข้อมากเลย แต่พ่อท่านก็บอกว่าเอาท่านก็พยายามอะ่ะประคับประคองเอาไว้ยังไงเราก็พยายามรักษาแล้วก็ให้ให้อยู่รอดปลอดภัยให้ดีที่สุดแต่ถ้ามันเกิดไม่ไหวแล้วจริงๆเนี่ยยังไงเขาก็โอโ้โหถึงขั้นจะมายึดหรือว่ามาเผาทำลายหรือว่ามาไม่รู้ละเอาไปเป็นครอบคร อ, องของคนอื่นอะไรถ้ามันถึงขั้นชนิดที่เรียกว่าต้องถึงขั้นนั้นก็ขั้นนั้นก็ขั้นนั้นจไปทุกไป เดือดร้อนไปกุ้มอกกุ้มใจอะไรทําไมคนที่จะทุกข์แล้วก็เดือดร้อนวางใจไม่ได้ก็เพราะยังยึดอยู่ไอ้ไอติดอยู่กับ ไ, ไออาคารบ้านเรือนไอข้าวของไอทรัพย์สินเงินทองหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยที่เราอกอันนี่ของกูของกูนะหรือจะของชาวอาโศกก็ตามแต่มันก็ปล่อยไม่ออกเลยถ้าอย่างเงี้ยก็ยังต้องทุกข์เพราะสิ่งที่เรายึดอันนั้น แม้อันนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีก็ตามเพราะอันเนี้ยเนี่ยเป็นอันสุดท้ายนะที่พระพุทธเจ้าท่านถึงได้ตัดเอาไว้โดยเฉพาะท่านบอกว่าเนี่ยจะละการถือเราถือเขาได้เนี่ยส่วนใหญ่ที่เรายังมีไม่ชอบใจใครบางคนถือสาใครบางคนเนี่ยเนี่ยจะต้องฝึกอันนี้มากๆฝึกอันนี้จ่สัญญาอันนี้ฝึกยังไง อันนี้ฝึกยังไงนะจะฝึกยังไงสมมุติอันนี้ อ, น, น, อ น, นาโดยเฉพาะของของชอบของที่เราใช้อยู่อ่ะอาตมาชอบยกตัวอย่างบ่อยๆอย่างบางทีเนี่ยที่อโศกเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของส่วนกลางแล้วนะ ท, ทั้งทั้งที่จริงๆเป็นของส่วนกลางนะเก้าของทั้งหมดเนี่ยจะถือว่าเป็นส่วนกลางสิกระทะ ตะหลิวชามข้าวช้อนซ่อมอะไรอ่ะมีดเขียนหรือว่าอะไรเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าเราก็รู้นะว่าเป็นของส่วนกลางแต่พอเราเกิดไปใช้หรือเราเกิดไปทำยิ่งโดยเฉพาะบางทีเขาก็มอบหมายให้มีหน้าที่ให้มีรับผิดชอบระวังเถอะส่วนใหญ่มันจะเผลอละเผลอก็รู้อยู่นะว่าเป็นส่วนกลาง แต่มันมักจะเผอว่าเป็นของเราแหละมันจะจะเผอเป็นของเราโดยไม่รู้ตัวเลยครนี้บางทีบางคนเขาจะมาเอาไปใช้บ้างนะหรือว่าเข้าไปใช้แล้วก็เกิดทำํชำชารุดทําเสียหายบ้างโอ้โหเราอึดอัดขัดเคืองมากใครที่ยังมีอาการอย่างเนี้เกิดขึ้นให้รู้เถอะมาอ่าคุณเริ่มยึดเป็นของคุณแล้วแต่คุณไม่รู้ตัวเท่านั้นเองคุณถ้ามันเป็นของส่วนกลางจริงถ้าคุณไม่มีอัตราเข้าไปนะ ออาก็มันเป็นของส่วนกลางนะบางทีเขาก็ไม่จะเ จ, จะนาจะไปทำให้มันเสียหรอกแต่มันทีมันพลาดได้แล้วมันก็เสี ย, ยงเงี้ยอ่าก็ติกันไปว่าก่าวกันไปสอนกันไปแต่ไม่เห็นจะต้องโอ้โหไปโกรธเคืองไม่ชอบใจไปถือสาอะไรกันถึงขนาดนั้นนี่อันเนี้ยถ้าใครมีอยู่นั่นแหละนั่นแหละก่นนั้นยังมียังยึดอัตราเป็นของเราอยู่มากมันยังไม่ได้เป็นของ ส่วนรวมหรือว่าส่วนกลางจริงพูดอย่างนี้ก็ต้องฝากอีกมุมหนึ่งนะเป็นการสรุปจบอีกมุมหนึ่งก็คือว่ามีอีกพวกหนึง่งชอบบอกว่าก็นี่มันเป็นของส่วนกลางเป็นของส่วนรวมไม่ใช่ของชั้นเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ทิ้งไปเลยนะทําอะไรก็ทิ้งไปที่โนนที่นี่เลยนะนั่นปล่ อ, อยวางใช้ว่าอันนี้จะสัญญาอา้า ก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปอะไรนะไอประเภ ท, เทนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีกิเลสอะไรมีกิเลสอะไรไม่รับผิดชอบไม่เอาภาระแล้วก็ไม่ยึดดีอะไรเลยด้วยจริงๆเนี่ยยังอยู่ในยึดเลวอยู่เลยประเภทเนี้คือพูดง่ายๆว่าทําตามใจฉันทําตามใจชอบอันนั้นอันนั้นยังยึดเลวอยู่เลยนะยังไม่ต้องมาพูดถึงว่า ให้มาคลายตัวที่ยึดดีไม่ต้องพูดถึงเลยนั่นนะชนะั้นบวยเลยยังยังชั้นโหลอยู่เลยคือไม่สนใจเลยก็มันไม่ใช่ของชั้นเลยนะอันนี้เล่นแบบว่าไม่ใช่ของชั้นทําไปแล้วก็ซีโซทิง้งซีโซ ว, วางเข้าของหายบั่งเสียมั่งโอ้พวกนี้ยังแย่เลยนิสัยยังแย่อยู่มากเลยยังไม่ต้องพูดถึงยึดดีเลยพวกเนี้ยยังสู้พวกยึดดีไม่ได้เลยยึดดีที่เขามีอัตตาเขามีความยึดเป็น เ, เจ้าของนะ แต่เขายังเห็นว่าเป็นของส่วนรวมส่วนกลางนะยังดีกว่าตั้งเยอะเลยเทียบกันไม่ติดแต่บอกแล้วว่าคนที่มายึดดีเป็นของส่วนรวมก็ตามส่วนกลางก็ตามจนยึดเป็นอัตตามาณะของตัวเองก็ยังต้องมาทุกข์เพราะไ อ, ไ, อไอ่ยึดแบบนี้เพราะฉนั้นถ้าจะถึงนิพพานเนี่ยก็ต้องสลายพวกนี้ไปให้ได้สลายไอ้ตัวความเป็นอัตตาเจ้าเข้าเจ้าของพวกนี้ลงไปให้ได้แล้วคนนี้ถึงจะแบบว่า เออวางจิตวางใจได้ดีขึ้นแต่รับผิดชอบเอาภาระได้อย่างดีเหมือนเดิมเพียงแต่จิตไม่ทุกข์ไม่ร้อนนะ่ายังดูแลอย่างดีนะเพราะงนะั้นอันเนี้ยฝากไปสำหรับพระสูตรนี้มีทั้งหมดหกหัวข้อนะซึ่งพระเจ้าท่านถือว่าหกหัวข้อนี้ถ้าใครเอาไปตั้งใจไปฝึก ใช้ในชีวิตประจำวันได้คนนั้นก็จะพ้นทุก์ได้มากเลยนะเราจะเห็นเลยว่าตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ได้จริงๆแล้วก็ได้ดีขึ้นด้วยอ้าวันที่คงฝากไว้แค่นี้